สักสามสิปีก่อนตรงทไตรกับพื้นที่ ร, บรอบๆเป็นสวนปลูกไม้ผลเต็มพื้นที่ก็ไม่เชิงเต็มนะเพราะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับปลูกผักหลวงพ่อท่านตั้งใจให้เป็นพุทธเกษตรชักชวนชาวบ้านมาเพื่อที่ปลูกผักเอาไปขาย เอาไปบริโภคด้วยนะจะได้ลดรายจ่ายแล้วก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยลดหนี้สินเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำไร่มันไร่ข้าวโพดแล้วก็เป็นหนี้มากอะไรแล้วก็ต้องซื้อหมดแม้กระทั่งมะละกอรพริกถานที่จะปลูกกินเองที่บ้านนันก็เลยชักชวน อชาว บ, บ้านมาปลูกผักแล้วแถวนี้ก็จะมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งนะเขียนว่าปลูกผักแก้จนดับมืดมนพึงปลูกสติอันนี้มันก็สะท้อนถึงแนวคิดนะของหลวงพ่อในเวลานั้นนะว่าฉันอยากจะให้วัดนี้เนี่ยช่างเป็น สถานที่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านในเรื่องเกี่ยวกับการทํามหากินแล้ น, นั้นก็เป็นส่วนทางกายหรือส่วนทางโลกในส่วนของทางธรรมหรือจิตใจท่านก็จยากจะให้ที่นี่เนี่ยช่วยตับฝึกจิตฝึกใจของผู้คนโดยสายการเจริญสตินี่แหละนะ ที่จะดับความหลงทำให้เกิดแสงสว่างในจิตใจซึ่งก็จะนำความเจริญนะมาสู่ชีวิตแต่ว่ า, าโครงการนี้ตอนหลังก็พับไปนะเรื่องพทุทธเกษตรปลูกผักแก้จนก็ทำให้สำเร็จนะแต่ว่าดับมืดมัพึงปลูกสตินี่ก็ยังทา ผ่านมา30ปีแล้วนะก็ยังทาแล้วก็เรียกว่าได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้นโครงการปลูกผักไม่สำเร็จคนไม่สนใจนะแต่ว่าโครงการดับบืดมนด้วยสตินะก็ได้รับความสนใจจากผู้คนนะผู้คนก็เข้ามาปฏิบัติ จเจริญสติที่นี่ีหนึ่งก็จะเรียกว่าหลายพันนั่นนะรวมๆแล้วอาจจะเป็นหมื่นก็ได้สตินี่มันช่วยนะช่วยดับความมืดมนในจิตใจทำให้เกิดโพธินะโพธินี่คือความรู้หรือว่าความตื่นรู้นะความรู้แจ้งก็ได้ ให้โพธิ์ที่นี่จะงอกงามในจิตใจได้ก็ต้องอาศัยสติปลูกสติขึ้นก่อนนะครับโพธิในเรือนใจก็จะงอกงามตามมาทําให้เกิดความสว่างสวยัยเกิดปัญญาแต่ว่าคนทั่วไปก็จะยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของ โพธิหรือความสว่างสวยในใจิตใจนะส่วนหนึ่งก็เพราะไม่รู้ตัวนะว่าความมืดมนนี่มันครอบงำจิตใจอยู่ความมืดมนในที่นี่หมายถึงความหลงคนเราเนี่ยบางทีอยู่กับสิ่งใดนา น, นๆเนี่ยนะมันก็จะไม่รู้หรอกวา่าสิ่งนั้นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาหรือว่ามีสิ่งนั้นอยู่ได้ซ้ำ มันมีควาพูดว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนกมันอยู่กับฟ้านานๆจนกระทั่งมันไม่รู้สึกว่ามีฟ้าด้วยซ้ำปลานี่มันก็อยู่กับน้ำตั้งแต่เกิดนะอยู่ใกล้ชิดกับน้ำสัมผัสกับน้ำมาตลอดแต่ไม่รู้ด้วยซ้าว่ามี น, มน้ำแล้วคนที่เกิดมาพร้อมกับความหลงนะ ก็ไม่รู้ตัวนะว่ามันมีความหลงครอบงําใจจกนกระทั่งเริ่มรู้จักกับความไม่หลงนะหรือเริ่มรู้จักกับความรู้ตัวคนที่อยู่ความลืมตัวมาตลอดเนี่ยนะไม่รู้จักว่ามันมีความลืมตัวหรอจกนกระทั่งพอได้รู้จักความรู้ตัวขึ้น mm hmm. ก็จะเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็ เกิดฉูกใจขึ้นมาว่าโอ้ที่ผ่านมานี่เราอยู่กับความลืมตัวอยู่กับความหลงหรืออยู่กับความมืดมนมาตลอดอันนี้เกิดขึ้นนะกับคนที่เริ่มมามาปฏิบัติมาเจริญสติเนี่ยแต่ก่อนนี่เขามีแต่ความคิดนะเต็มหัวเลยความคิดฟุ้งซ่านนั่นนะจนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามันมี ความสงบที่สามารถจะเกิดขึ้นได้มันมีภาวะที่วางจากความคิดในจิตใจของเราได้เพรพอได้มาเจอสติกก็ได้เห็นนะว่ามันมีความรู้ตัวเกิดขึ้นได้มันมีความสว่างสวยเกิดขึ้นได้ และตอนนั้นแหละก็ถึงรู้อ๋อที่ผ่านมานี่เราหลงเราลืมตัวเราไม่รู้ตัวเรา อ, อยู่ในความมืดมนอันนี้ก็สำหรับคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากยังไม่ค่อยสัมผัสกับความรู้สึกตัวบางทีปฏิบัติไปก็ไม่รู้ว่าทาถูกหรือทาผิดนะ เวลาครูบาอาจารย์พูดถึงความรู้ตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็สงสัยว่ามันคืออะไรเพราะว่าไม่เคยรู้จักเรือจะไม่ได้สัมผัสมันเท่าไหร่เลยที่จริงความรู้ตัวความรู้สึกตัวนี้ก็เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับทุกคนนะ น, นะแต่ว่ามันเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะรู้สึกตัวแวบๆบแบบ แล้วก็ถูกความไม่รู้ตัวความลืมตัวนะมันครอบงำเอาแต่พอได้ปฏิบัติและทำถูกวิธีมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องตอนนี้แหละก็จะเริ่มจับทางถูกนะแล้วก็การปฏิบัติก็จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้แต่ใหม่ๆเนี่ยก็จะยังจับทางไม่ค่อยถูกหรอกเพราะว่า ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ความรู้ตัวมันคืออะไรความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงหรือถึงแม้จะรู้แล้วก็ไอ้การที่จะวางใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาเพื่อความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวเกิดขึ้นตอนนี้นยังทําไม่ค่อยได้พอมีความตั้งใจมากพอมีความตั้งใจมากเนี่ย จิตมันไม่เป็นธรรมชาติพอได้เป็นธรรมชาติเนความรู้ตัวความรู้สึกตัวก็หลบหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะขอให้ตั้งใจทำแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าตอนที่เริ่มทําใหม่ๆเนี่ยมันยุ่งอุปสรรคเยอะจะเรียกว่าเป็นมารมาขวางกั้นก็ได้แต่มาในที่นี้เนี่ยมีชื่ออีกชนิดหนึ่งเรียกว่านิวร์นิวร์เนี่ยคืออุปสรรค เห็นการทำความดีหรือการเข้าถึงความดีความดีทีนี้หมายถึงความสงบและความสว่างในจิตใจใหม่ๆนี้ก็จะต้องเจอกับอุปสรรคแบบนี้เยอะตัวแรกที่เกิดขึ้นบ่อยนะกับคนส่วนใหญ่คือความง่วงความง่วงเอาหาวนอน ท, ทั้งที่เป็นเวลาสว่างกลางวันไอ้ทิ้งง่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าร่างกายมันเหนื่อยอ่อนนะ แต่ว่าใจมันเบื่อหน่ายมากกว่าใจไม่มีสิ่งเล้ า, าจิตใจคนสมัยใหม่้วยเพพาะคนที่มาจากในเมืองเนี่ยมันถูกปลุกเล้าถูกกระตุ้นเล้ามาตลอดด้วยผัสสะทั้งรูปรสกลิ่นเสียงโดยเฉพาะรูปอาจจะเป็นเป็นภาพเป็นข้อความ SMS นะหรือว่าเสียง นะเพลงเสียงผู้คนพูดคุยเสียงจากสิง่งแวดล้อมเสียงรถราพอมาหยุดในป่าอยู่ใ น, ในสถานที่แบบนี้ซึ่งไม่ค่อยมีสิ่งเร้าเท่าไหร่ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเนิบช้าแค่เดียวกันต้องมาทำาอเรียบทเดิมๆยกมือกลับไปกลับมา เดินจงกรมตอนทําใหม่ๆมันก็ยังตื่นอยู่นะเพราะว่ามัน ม, มันเป็นของใหม่อะไรที่เป็นของใหม่ใจมันจะตื่นจะสนใจแต่พอทําไปสักพักมันเริ่มเก่าเริ่มจําเจแล้วแล้วก็ไอ้ที่เคยยกมือสร้างจังหวะต้องใช้ความพยายามตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ความพยายามแล้วเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติไปแล้วคราวนี้แหละนะมันก็จะเริ่มง่วงมันอยากจะไปหา ภาษาใหม่ๆอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะไปเจออะไรที่มันไม่เหมือนอไม่เหมือนเดิมไม่ซ้ำซากใจคนรำเกินเหมือนกับลิงนะลิงเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวเสมอสังเกตมาเวลาถ้าลิงมันนั่งอยู่นิ่งๆมันหลับเลยที่ผู้หลงนี่มีลิงอยู่หลายฝูงเวลาที่มันเล่นกันนี่มันตื่นตัวมากแต่พอมันนั่งเฝ้า รอเราเผลอนั่งเฝ้าดูพระฉันอาหารนั่งเฝ้าดูคารวาสกินอาหารมันก็จะรอทีเผลอนะแต่ว่าเราก็ไม่ยอมให้เราก็ไม่ยอมเผลอมันก็นั่งอยู่บนต้นไม้อยู่บนกิ่งไม้มันนั่งไปสักพักสิบนาทีสิบ้านาทีมันก็เริ่มง่วงบางทีมันก็หลับเลยแต่ว่ามันเก่งนะมันสามารถที่จะใช้มือใช้เท้าใชให้หางเนี่ยเกี่ยวต้นไม้ ทำให้สามารถจะทรงตัวได้แม้จะหลับแต่มันหลับได้เร็วมากนะใาจาคนเรานี่ก็เหมือนกันยกมือสร้างจังหวะ5นาที10นาทีมานทีง่วงแหละนะใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นนะให้ร่วมมันธรรมด า, า, าและใจเราเนี่ยมันปรับตัวได้นะอย่าไปท้อถอยนะบางคนทำ5นาที10นาทีง่วงประไว้ทำยื0นาทีร้อง ร้องเลยนะไม่ไหวหรอกแต่พอทำจริงเนี่ยเริ่มได้แล้วจิตเนี่ยเราเริ่มปรับตัวได้นะนั้นพอทำนานเป็นชั่วโมงเนี่ยความง่วงก็ค่อยๆลดลงแต่พอทำสองชั่วโมงสมชั่วโมงเนี่ยความง่วงก็จะเพิ่มมากขึ้นอยากนอนคือถ้าเราเพลียนะมันก็ควรนอนนะ แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เพลียากายนะแต่ว่ามันความเบื่อของใจมันถ้าเรานอนเนี่ยมันก็จะได้ใจนะมันจะได้ใจนะจิตเนี่ยมันรู้เลยนะว่าทั้าง่วงแบบนี้เราได้นอนมันก็จะยิ่งง่วงบ่อยขึ้นง่วงบ่อยขึ้นแล้วถ้าเราทําตามมันเราก็จะแพ้มันแล้วบางนมันก็จะง่วงแบบนี้อยู่ได้เรื่อยนัย่นจะต้องสู้กับมันนะจะต้องฝืนนะเช่นเปลี่ยนอารมณ์เช่น ด้วยการเปลี่ยนทีศท า, า, างบทสมมุติเราสร้างจังหวะง่วงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเดินนะหรือถ้าเดินง่วงก็ลองลงมานั่งสร้างจังหวะหรือทําให้เร็วขึ้นนะยกมือให้เร็วขึ้นเพื่อกระตุกกระตุน้นใจให้ตืน่นเดินให้เร็วขึ้นตัวช่วยหนึ่งที่ดีมากนะ อ่ผมก็ใช้บ่อยนะสมัยที่ฝึกใหม่ๆมก็คือใช้น้ำนะจะมีครูน้ำอยู่ข้างตัวนะพอง่วงที่ก็เอาน้ำนี่มาลูบหน้าง่วงหนักหนักนะง่วงหนักเข้าก็เอาหัวนี่จุ่มลงไปในคููน้ำไปเลยมันก็ช่วยได้หรือถ้ายังไม่ไหวก็อาบน้ำไปเลย อ น, น้นเนี่ยมันช่วยปลุกใจให้ตื่นได้ใช้ตัวช่วยแบบนี้ดีกว่าไปหลับนะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าหลับแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไม่หายง่วงมันก็จะง่วงซ้าแล้วซ้าอีกเพราะว่าจิตนี่มันฉลาดกิเลสมันฉลาดมันรู้ว่าถ้าง่วงแบบนี้แล้วได้หลับมันก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้คือว่าเดินออกไปมองฟ้าสมมติเราปฏิบัติอยู่ในศาลานี่ง่วง เราก็ลองเดินออกไปมองท้องฟ้าไปที่ที่มันโล่งสว่างสว่างใจมันก็สว่างไปได้เหมือนกันนะจริงเห็นท้องฟ้ากว้างเนี่ยความง่วงก็จะบรรเทาลงนอกจากความง่วงแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งนะที่เกิดขึ้นบ่อยคือความฟุง้งซ่านอันนี้ดูมันตรงข้างันเลยไอ้ ง, ง่วงที่ว่าความคิดมันไม่ค่อยออกมาเพราะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาเสพ ไม่มีสิ่งใหม่ๆ ม, มาให้จิตมันเสกไม่ว่ารูปแล้วกินเสียงสัมผัสหรือว่าธรรมารมคือความคิดแต่ว่าบางคนเนี่ยนะหรือว่าจะเกิดในลาดับถัดไปก็จะเกิดกายคือความฟุ้งซ่านหลายคนจะบ่นว่าไอ้ตอนไม่ปฏิบัตินี่ความคิดมันน้อยมันไม่มากเลยแต่ทำไมพอปฏิบัตินี่ความคิดมันเยอะกว่าตอนไม่ปฏิบัติซิอันนี้ก็ อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความจริงความคิดอาจจะเท่าเดิมแต่ไม่สังเกตในตอนที่เราไม่ปฏิบัติเราไม่สังเกตเราก็เลยรู้สึกว่าความคิดมันน้อยแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตมากขึ้นเราก็พบว่าไอ้ความคิดมันเยอะที่จริงนั่นแหละจะเป็นภราะว่ปกติของเราแต่เราไม่รู้แต่ก็เป็นไปได้ว่าพอมาปฏิบัติแล้วนี่ความคิดมันเยอะกว่าปกตินะอันนี้ก็เพราะว่าจิตเนี่ยมัน มันไม่มีไม่มีอะไรที่น่าสนใจให้มันให้มันจดจอ่อเช่นถ้าเราอยู่บ้านเราจะจดจอ่ออยู่กับเฟซบุ๊กจดจอ่ออยู่กับงานจดจอ่ออยู่กับโทรทัศน์นะจดจอ่ออยู่กับการทำครัวจิตมันก็ไม่ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนแต่พอมาเดินจะกรกสร้างจังหวะเนี่ยไอเรียบบทนี่มันไม่มันไม่น่าสนใจเพียงพอให้จิตเนี่ยมันมันจดจอ่อได้มันก็เลยดิ้นไปหา อารมณ์อื่นมาเสพที่สนใจที่น่าสนใจถ้าเคยยืนไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่สร้างจังหวะเดินจงกรมมัมก็สร้างหาเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาคิดเรื่องน้นคือคิดเรื่องนี้เพื่อให้ใจนี่มันได้เสพอารมณ์ที่น่าพอใจแล้วมันจะไดะะ้มีความสุขอยู่กับความจาเจของสถานที่ได้เลื่อยเป็นเพราะว่า เวลาเรามาเวลาเราเรามาใส่ใจกับจิตใจเนี่ยนะบางมันเปรียบเทียบเหมือนกับเรามาเริ่มทำความสะอาดบ้านที่เคยรกร้างบ้านเนี่ยลองนึกภาพนะมันรกร้างแล้วก็มีหยากให่มีฝุ่นมาเกาะมากมายบางทีฝุ่นก่อ น, นี่เป็นมินเป็นเซนเลยเวลาเราต้องการทำความสะอาดบ้านหลังนี้ทำความสะอาดพื้นในสะอาดเนี่ย เราต้องเริ่มต้นจากการกวาดก่อนแต่พอเรากวาดนี่นะฝุ่นมันฟุ้งเลยบางคนบอกว่าโอ้โหทความสะอาดนี่ฝุ่นมันฟุ้งกว่าตอนที่ไม่ทําความสะอาดสิเพราะฉะนั้นปล่อยปล่อยไว้เหมือนเดิมดีกว่าคืออย่าทำความสะอาดมันเลยถ้าทําแบบนี้บ้านก็ไม่สะอาดสักทีเราต้องยอมนะถ้าเราการทําให้บ้านสะอาดเราต้องยอมที่จะเจอกับฝุ่นฟะุ้งนะกวาดทีเดียวเนี่ยแค่ปะป่าทีเดียวนี่ก็ฝุ่นก็ฟุ้งแล้ว ถ้าเรากลัวฝุ่นฟุ้งแล้วเราก็เลยบอกว่างั้นฉันไม่ทำอะไรละนะบ้านก็ยังสกรปรกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาฝนะุ่นมันก็ฟุ้งนะ่ะตอนทำความสะอาดใหม่ๆทำไปทำไปทนหน่อยนะนะขั้นที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรด้วยให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันมามันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว มันต้องมั่นใจแบบนี้นะั่นว่าไอความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วเราก็จะผ่านไม่ได้ต่อไปเมื่อจะเริ่มสงบแล้วถ้าทำถูกจริงๆก็จะสงบนะก็จะสงบไปอย่าไปเยอะอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปท้อถอยบางทีกิเลสมันก็พยายามหาเรื่องช่วยให้เราเลิกปฏิบัตินะแล้วมันก็อ้างว่าเนี่ยพอปฏิบัติแล้วฟุ้งมากเหลือเกินตอนไม่ปฏิบัตินี่ไม่เห็นฟุ้งอย่างนี้เลย อย่าอย่าปฏิบัติมันเลยนะอันนี้เป็นโูคไม้อุบายของกิเลสเราอย่าไปหลงเชื่อนอกจากความง่วงความฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยความเครียดนะความอึดอัดก็เป็นอีกตัวหนึ่งความเครียดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่พอเริ่มตั้งใจปฏิบัติแล้วพอเริ่มตั้งใจปฏิบัติเนี่ยความจริงจังเนี่ยมันก็จะทําให้ จิตเนี่ยคอยไปเพ่งคอยไปบังคับควบคุมความคิดอันนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติจํานวนมากคือเพ่งที่กายหรือไม่ก็ไปดักเฝ้าดูความคิดดักทําไมนะดักเพื่อที่จะได้พอมันเผอคิดออกมาความคิดออกมาก็ตะปบมันเลยอยากจะจัดการกับความคิดนะอยากจะเอาชนะมัน พอรู้สึกว่าความคิดฟุ้งซ่านนี่มันไม่ดีต้องจัดการพอไปดักดูดักเฝ้าความคิดเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะเช่นเดียวกันเวลาที่เราเพ่งนะเวลาเพ่งเราไปบังคับจิตเนี่ยจิตมันไม่ยอมนะธรรมชาติจิตนี่มันจะสู้เราไปบังคับมันมันจะสู้มันจะขัดขืนและยิ่งเราพยายามควบคุมบังคับมันเราก็ยิ่งเหนื่อยนะ พวัะนั้นพอเพ่งไปอาจจะไม่กี่ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะทําได้ถึงสองสาวันแล้วก็จะเริ่มเครียดและความเครียดก็จะมากขึ้นอันนี้ก็ให้รั่วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราวางใจไม่ถูกเราอยากจะให้ความคิดมันมันหมดไปหรือเราอยากจะหยุดความคิดและที่อยหยุดความคิดเพราะว่าอยากจะสงบ ให้ความอยากสงบนี่มันเป็นอุป ส, สรรคนะสำนับปฏิบัติเพราะมัทําให้จิตเนี่ยนะไม่เป็นธรรมชาติจะมีการเพ่งมีการบังคับและบังคับยังไงก็ไม่สําเร็จก็จะยิ่งอึดอัดหลวงพ่อเขียนท่านเราว่าตอนที่ท่านเริ่มมาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนตอนนั้นท่านก็ยังเป็นค า, ารวะอยู่อายุก็สามสิบแล้ท่านบอกว่าเนี่ยรู้สึกอึดอัดเบื่อหนายมากเลยกับการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียน เพราะว่าท่า น, นติดสงบท่านชอบนะความสงบท่านคุ้นกับการปฏิบัติแบบที่เรียกว่าสมถะมากนั้นทำแล้วสงบนะแต่พอมาปฏิบัติแบบลงว่าเทียนตัวยกมือดูไม่งามเลยนะดูไม่ดูไม่สํารวมนะในใจนี้ก็เถียงในใจนี้ก็ค้านว่ามันจะได้ผลจริงหรือนะอันนี้ ก็เกิดวิจิกิจชาขึ้นมานะคือความรังเลสงสัยความไม่แน่ใจก็เป็นนิวร์อีกตัวหนึ่งนะซึ่งมันทําให้การปฏิบัติเนี่ยไม่เจริญก้าวหน้าคนที่ปฏิบัติใหม่ๆก็จะมีความรู้สึกรังเลสงสัยแบบนี้ซึ่งก็เท่ากับไปเพิ่มความเครียดความอึดอัดให้มากขึ้นความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งจากคนที่เห็นว่าการปฏิบัตินี้ดีนะแต่ว่า ตั้งใจจะบังคับควบคุมความคิดให้เป็นไปอย่างที่ต้องการคือไม่ให้คิดให้ใจสงบหรืออีประเภทนึงก็คนที่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยศรัทธาแน่แนๆ น, นะกับการปฏิบัติก็จะตั้งข้อสงสัยทำไปก็ทำทำไม่ได้ด้วยใจที่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ให้เราให้เรารู้ว่าเนี่ยนะถ้าจะถ้าจะทำนะ ถ้าจะปฏิบัตินะก็ต้องรู้ทันไอความลองเล่สงสัยนี่ด้วยนะก็ต้องวางมันลงซะมันจะสงสัยก็ให้มันสงสัยไปนะแต่อย่าไปหลงเชื่อมันบางทีเราก็ต้องอยู่กับความสงสัยนะถ้าวางไม่ได้มันยังสงสัยอยู่ก็ลองอยู่กับมันไม่จำเป็นต้องไปหาคําตอบให้มันเพราะการไปหาคําตอบก็อาจจะเป็นเป็นวิเป็นอุบายของกิเลสแบบหนึ่งนะ กิเลสนี่มันจะปวดเราหลายแบบโดยการสร้างข้อสงสัยข้อถกเถียงขึ้นมาข้อโต้แยง้งหรือว่ายุ่ยยุ่ให้เราไปหาคำตอบเพราะว่ามันอยากคิดมันอยากเสพความคิดมาทำไปทำไมก็มจะเราก็จะรู้ทันุบายนะของกิเลสนะที่มันมาในหลายรูปแบบรวมทั้งกิเลส ท, ที่อยากจะสงบด้วยอยากบังคับจิตให้เป็นไปอย่างที่ต้องการ ซึ่งทำไม่ได้เพราะจิตมันเป็นอนัตตาเรื่องการเรื่องความเครียดเนี่ยนะหลายคนไม่ชอบนะแต่ว่ามองให้ดีนะมันก็มีประโยชน์นะความเครียดเนี่ยมันมันเป็นตัวฟ้องว่าเราทำผิดเราวางใจผิดเพราะว่าถ้าเจริญสติถูกวิธีเนี่ยนะมันไม่มีเครียดนะมันสบายสบาย เห็นความคิดแล้วมันยิ้มให้กับความคิดด้วยซ้ําอย่างที่พูดเมื่อวานนะหลวงพ่อต้องบอกสติมันทําให้สดชื่นเป็นความคิดปู้นี่มันยิ้มให้กับความคิดมันไม่โกรธมันไม่เป็นปฏิปักษ์ความคิดเพราะหน้าทีของสติคือรู้ทันเฉยเฉยไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างส่วนใหญ่คนที่เพ่งเนี่ยเพราะว่าความคิดมันเยอะแล้วเลยพยายามที่จะจัดการความคิด และที่ความคิดมันเยอะพอแล้วเพราะเผลอหลายคนเนี่ยนะหรือนอกเจียไอ้ใหม่ใหม่เนี่ยทีแรกมันเผลอก่อนเผลอแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ฟุง้งนฟุ้งแล้วไม่ชอบก็เลยสวิงไปอีกทางยังคือไปเพ่งพอไปเพ่งนี้ก็เกิดปัญหาเหมือนกันเป็นสุดตรงสองทางนะเผลอนี่ก็สุดตรงทางหนึ่งเพ่งก็สุดตรงอีกทางหนึ่ง บางคนงคนิดว่าเผลอไม่ดีเพราะฉะนั้นเพ่งดีกว่าเเพ่งมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นสุดตรงทางสุดตรงนี่มันไม่ใช่มีแค่การสุขาริการนิโยมหรือว่าอัตตะกิลมรฐานนิยมในการเผลอก็จัดเป็นการสุขาริการนิโยมได้ก็คือมันตามใจกิเลยตามความคิดอนการไปเพ่งนี่คือการบังคับจิตบังคับใจนี่ก็เป็นอัตตะกิลมรฐานนิยมทรมานตนอีกแบบได้เหมือนกัน การจุลสติเนี่ยคือแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อพเทีหลวงพ่อมเขียน ท, ท่านเน้นอยู่เสมอนีรู้ซื่อๆมันคือทางสายกลางระหว่างสุดโต่งสองทางคือเผลอกับเพ่งแต่ใหม่ๆเนี่ยนะไอ้จะให้รู้ซื่อๆนี่ทํากันไม่เป็นหรอกนะเพราะว่ามันเป็นของใหม่มันก็จะสวิงไปที่ความเผลอก่อนแล้วก็เลยฟุ้งแล้วก็จะพยายามไปบังคับจิต ไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งมันก็เลยเพ่งนะสําหรับคนทีเ่เพ่งเนี่ยนะก็ต้องค่อยๆนะลองลองหย่อนมาสักหน่อยนะเราไปเอาจริงเอาจังมากเกินไปเอาจริงเอาจังมากเกินไปไม่ใช่ของดีนะความเพียนก็เหมือนกันความเพี้ยนมากเกินไปก็ไม่ใช่ของดีอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ย พระเจ้าก็สอนพะนระโสณกุลวิสาว่าเนี่ยให้เพียรแต่พอดีไอนะความตั้งใจก็เหมือนกันนะตั้งใจแต่พอดีถ้าไม่ตั้งใจเลยมันก็เผลอหาเรื่องคิดฟุ้งไปเรื่อยเดินตรงกลมทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าย่อหย่อนนะไม่ตั้งใจตั้งใจมากไปมันก็กลายเป็นเพ่งกลายเป็นตึงแบบทำใจ ก, กลาง อะไรที่มันเป็นกลางๆพอดีๆเนี่ยมันยากเสมอนะแต่ว่ามันทําได้ฝึกได้สําหรับคนที่ตั้งใจมากนะก็ลองทําใจเล่นๆหรือลองนึกในใจว่าทําเล่นๆแล้วหลวงพ่อคำคิดอล้วหลวงพ่เทียนนี่ตั้งพูดเสมอกับนักปฏิบัติให้ทําเล่นๆทําเล่นๆแต่ให้ทําจริงๆทําเล่นๆคือว่าอย่าไปตั้งใจมากนะ มันจะผิดมันจะพลาดมันจะฟุ้งก็ช่างมันไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอแา่ให้ทำจริงๆก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไม่หยุดนะเคยถามหลวงพ่อเทียนว่าตอนที่ไปอยู่กับท่านใหม่ๆวัดสนาหนายว่าหลวงพ่อวันหนึ่งในปฏิบัติอ่าสักกี่ชั่วโมงนะทีแรกคิดว่าเนี่ยมันมีเวลาปฏิบัตินะ เหมือนกับเวลาราัชัด ก, การก่าวโมงช้าถึงสีง่โมงเย็นหลวงพ่อเทียนต่อว่าทำทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอนเลยฟังนี้เราก็ตกใจนะเพาะขนาดทำแค่สองสามชั่วโมงเราก็ไม่ไหวแล้วให้ทำทั้งวันเหรอแต่จริงๆถ้าทำอย่างที่ท่านบอกเนี่ยมันก็ทำได้หรอกทำเล่นๆไปไม่ต้องไปบังคับจิตนั้นเผลอเมื่อไหร่ หรือไปกี่มากกี่น้อยรู้ทันก็เอาใจกลับมาให้มีสติรู้ตัวอยู่การทำกิจต่างๆรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรนะแต่ว่ากา็ทำไปเรื่อยๆทำเล่นๆไปบางทีทำจริงๆนะกับเนินช้านะหลวงพ่ อ, พอเขียนท่านเล่า ว, ว่าเนี่ยท่านนี้ทำ ท่านเนี่ยได้ลุกได้ผลเนี่ยช้ากว่าใครเลยคนที่มาปฏิบัติหลายคนอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เห็นผลแล้วเห็นรูปนามแล้วท่านต้องเป็นเดือนเลยเพราะว่าทีงแรกก็สงสัยไม่แน่ใจคลางแคลงใจในวิธีการแต่ตอนหลังนี่ก็เอาจริงเอา จ, งอาจังมากขึ้นถ่านเปคนที่ชอบทำอะไรนี่ต้องจริงจัง จะให้ไม่ให้แพ้ใครเวทท่านเราว่าเวลาทํานานี่คนเขาเกี่ยวข้าได้ห้าสิบห้าสิบถังนี่ท่านบอกท่านต้องได้ร้อยถังจะไม่จะไม่ให้น้อยกว่าใครตรงนี้ก็เลยทําให้เนินช้าเลยเหมือนกันนะนนแต่ว่า อ, อันนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ช่วยนักปฏิบัติมากที่สอนให้รู้จักวางใจนะพอดีพอ ด, พอดีเป็นกลางๆ การปฏิบัติไม่ันไม่ได้ที่รูปแบบนะไม่อยู่ที่ว่ายกมืออย่างไรถูกต้องหรือเปล่านะมนีที่ใจมากกว่าถ้าวางใจถูกวางใจเป็นงางกลางไม่เผือไม่เพ่งให้ทำสบายสบายแต่ว่าทำไม่หยุดก็จะเห็นผลได้